นอนกลนดังมากนะบางครั้งนี่นอนกลนดันจงจนข้างเจ้าตัวตืวต่นนมาเลยโกลนนะถามเสียอะไรนภะรรยาเขาบอกว่าเสียนหมาจะสนใจนะก็เป็นนี้มาตลอดเลยนะบัวภรรยาคงจะลาคางนะ แต่ก็ับโคหน้าจนนอนหลับและมีเสียงโปลดแล้วก็พบว่าในภายหลังเนี่ยไอเสียงโกนี์มันมีความหมายมากแม้ว่าในช่วงแรกๆในช่วงแต่ตลอดชีวิตจะรู้สุกลำคานแต่พอสามีอาการหนักใกล้ตาย เ, เขาบอกว่าเส้นคนของเขาเนี่ยนะมันเป็นสิ่งเดียวที่เราบอกว่าเขายังมีชีวิตอยู่ยยเพราะว่าเขาพูดอะไรไม่ได้ที่จะเชื่ออะไรก็ไม่ได้จเนี่ยเส้สนต้นนะที่มันยังบอกว่าเขายัางไม่ตายแล้วก็แต่ทุกคนเนี่ยเราก็ยอมเชื่อทุกเรื่องทุกอย่างนะ เพื่อจะให้เสียงนี่แหละมันยังดังอยู่และแน่นอนเมื่อกขาตายไปเนี่ยเขาก็คงจะไม่ถยุเสียงคนมมากเสียงคนที่เธอเธองคาแต่ว่าพอสามีตายจาวคนแรกเนี่ยก็จะไม่หูุเสียงนี้เพราะถ้มีเสียงนี้ก็แสดงว่าเขามีชีวิตอยู่ ความรู้สึมันเปลี่ยนไปนะ ต, ตอนที่ยังมีชีวิตอย น, นี่เวนไม่อยากสั่งอริยไม่อยากสั่งแต่ก็ถึงสัง่แต่พอตายไปแล้วนี่จะลึกขึ้นอยากให้มันมีเซฟตัว น, นี้ทุกเช้าแต่ว่าก็ไม่มีโอกาสไม่ถามว่าจะทาให้เสียกับพระดจ้ น, นี่ทำํำให้ถึงผู้ชายคนหนึ่งตอนเด็กก็ใกล้ชิกับพ่อมาแม่คงจะเสียชื่อไปนานตั้งแต่เขายังเล็กใก้ชิดกับพ่อมากพ่อไปสอนที่โรงเรียนมาลับกลับบ้านเด็กออกโรงเรียนจบมาที่ไหทนทำงานมีการงานสูงขึ้นเรื่อยๆมันก็มีภารกิจที่จะต้อง ทำที่ทำงานแต่เดินกลับมากินข้าวที่บ้านกินข้าวกับพ่อในตอนกลางวันตอเรียนแต่เด็กงานจบท่บานจบมาในตอนจบใหม่ๆทำงานที่ยังกลับกินข้าวท่บ้าแต่ตอนอาชีพการงานเจะเริญ ม, มีตำแหน่งสูงก็ไม่ค่อยได้กลับมากินข้าวที่บ้านบางวันก็ประชุมดึกหรือว่าบารทสังสรรค์กับเพื่อน ที่สายต้นหนุ่มที่มีครอบครัวพ่อก็จะโทรศัพท์มาถามเมื่อไหร่จะกลับบ้านก็ญาก็ธรรมดาก็ให้ ตอนนี้เนี่ยก็อยากจะไปเที่ยวด้วกันอีกแต่ลูกก็ไม่มีเวลาบางทีก็โทรมาถามเขาที่จะไปไหนงว่างหรือเปล่าบางทีพ่อจะชวนไปเที่ยวลูกก็บอกปิดใจจะเป็นยี่องไรบ้าลูกกำลังคายแล้ววันหนึ่งพ่อก็ดป่ยวยเป็นมะเร็งแล้วก็ ตอนนั้นเนีนะบอกว่าเขาเลื่อนึกถึงโทรศัพท์พ่อมากเลยแต่ก่อนเนี่ยพ่อโทรศัพท์มาหาเขาทุาเกเย็นแค่ทุเกเย็นแล้วก็รำคาแต่ตอนนี้เนี่ยเาให้เสียงแล้วเสียงโทรศัพท์ของพ่อแต่ว่ามันไม่มีแล้วเพราะว่าพ่อจากไปแล้วต <c oughs> ้องไม่ได้คิดว่านี้ ไอเสียงตัวสัตว์ที่เราลังคาอีกทีนึมันมีความหมายเนะี่มันแปลว่าพ่ออยู่กับเราวันไหนที่ไม่มีเสียงนะั้นมันแปลว่าพ่อจากเัาไปแนละ้วขึ้นมาได้คิดเพราว่าไอเสียงตัวสัพท์เนี่ยมันมีความหมายมันมีมันมีความหา ม, ม, ม, ม, า, มหายที่ดีแต่ก่อนรูส้สงแต่ลัคามาถึงความหมายของไอเสียง รอยันี่ของพ่อเนี่ยป็นความสาคัญอหู่คือค่าวชิ่นชนนั้นก็ต่อเมื่อพ่อไม่อยู่แหละเราต้องในทีนี้เสียใจว่าตอนเด้เกิดพ่อเนี่ยพาไปเที่ยวแต่พอก็โตพ่าแกตัวลงเขานี่มีเวลาพาเขาไปเที่ยวต่อฐานนั่นแหละคุณดีกว่าหคและสิ่งที่เขาทำเนี่ยเพื่อทดแทนความระสึกที่เขาคิดว่า เวลาเขาไปไหนเนี่ยขับรถไปไหนเนี่ยก็จะเอารองเท้าพ่อเนี่ยติดรถตปดเรือจะวางไว้ตรงที่นั่งขนขัาที่นั่งเาบาะหลังก็ไปไหนก็ตามเนี่ยก็จะเอาพ่อไปด้วยแต่ไม่ใช่พ่อที่เป็นเป็นนะแต่คือรองเท้าของพ่ อ, อใส่ไว้ตรงเบาะหลัง เราก็บอกว่าพ่อไปด้วกันทำได้แค่นี้ไงแน่นอนถ้าเขามีเวลาหม ด, ดตับก็ได้สุดเขาคงอจากจะพาพ่อไปเที่ยวแล้ก็ไปที่เติมหมวกมุ่งทำงานหรือว่าไปทัศนศึกษาเพื่อนเขาก็คงใจเย็นยจะไปทำทำให้พ้อยท่สุดอันนี้มันก็เป็นควอคิดนะว่า ไอ้สิ่งอะไรสิ่บางอย่างที่เราวันนี้รู้สึกลำคาบเนี่ยวันหน้าเำาระพติหานก็ได้ไอ้สิ่งที่เรารู้ตัวมันแย่จริงมันมีข้อดีของมันแต่คนไม่คย ม, มองเห็นเวลาที่เสียคนก็แต่แต่ปวดลำคาบแต่ก็ยังดีว่าเนี่ยยังดีนะร่งางกาเรเมีชีวิตอยู่นะ วันไหนได้เสียงโทรศัพท์จากแม่จักพ่อหาว่าขับกล้าหรื อ, อยางโทรศัพท์ขับกลาม่ากับบ้าให้แทนที่ตาราการให้เรารู้ว่าอันนี้มันแสดงว่าเขายังยังอยู่นะเยังรับ ก, กัรห่างใงไงนะอันนี้แหละที่เรียกว่าเป็นการมองแนบบวกก็ไถ้าเรามองบวกเนี่ยมันจะทาให้เรานอกจากจะไม่ทูกง่ายนเนี่ยเราจะห็นคุณค่านะ ของสิ่งเหานั้นเราก็จะรู้สึกขอบคุณแะเออโชคดีนะที่สามียังอยู่กับเราโชคดีนะที่แม่หรือพ่อยังอยู่กับเราไม่ใช่เอาแต่หมดมีนมําคามงั้นท้งหลายที่แบบนี้เนี่ยคนที่รู้สึกน้ำคาญเวลาได้เห็นผม ข, ของแม่ของพ่อหรือบ้านก็ ไม่ชอบเลยพ่อเอาออแต่โวยแม่ออแต่ควยในบางทีก็สามีหรือว่าแฟนลองคิดแบบนี้มากว่าออมันอยู่เป็นดีน ะ, สะแสดงว่าเขายังไม่ตานเม่เหมืกเรา ว, วันไหนที่เขาได้ผลเมื่อไหร่รือวันไหนที่มัมีสิ่งผลเมื่อไหร่วัน น, นั้นแหละคือวันที่เราจะเสียใจหรือว่าเราจะรู้ซึกถึงความสําคัญในความสูงบม มันก็ทำมาได้ด้วยคนเราเนี่ยอะไรที่เรามีเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นค่าหรอแต่ว่าแต่ไอ้สิ่งที่ทาให้เราท า, าเนี่ยนะั่สิ่งที่ให้ความสุขกับเ ร, าเร า, เร า, าเราก็ไม่ค่อยเห็นค่าถ้าเขามมาอยู่กับเราบางทีสามีพูดเพราะภรรยาสูดพราะหรือว่าพ่อนม่พูดกีกับเราเราก็เฉยเฉยไปผหาจุนมาั้งจากเพื่อลงงานรับา เาก็แม่เคยย่าเราทำานที่พ่อแม่เรากลับค้า สิ่งดีๆนะที่คนอื่นมอบให้กับเราหรือสิ่งดีๆที่เรามีเรายังไม่เพียงพอแต่ถ้าเรามองของดีโอ้มีความสําคัญมาแต่คนไม่เป็นความสาคัญเมื่อสูงเท่านะี้ลองเดากานนะั่นอสียงที่เราไม่ชอบเสียงบนเสียงกรนเสียงโทรศัพท์มาทางเราไม่ชอบอางทีเราหลงคาญแต่วัานไหนที่ไม่มีเสียงนั่นแหะเราจะรู้สึก แล้วก็เปิดขายแต่ว่าก็สายเพื่อนนี่คนดูมเป็นเพื่อนงก็ดูแลแม่เพรตอนที่ลดูแลแม่ที่อัไซเมอร์เนี่ยเขาุกมากเลยไล้ยินงุกมากขึ้นเมื่อพบว่าพี่ๆน้องๆเป็นสนใจมาดูแลเราไม่เข้าคนเดียวทาไมต้องเป็นชั้นอุตส่าห์ทิ้งงานเร่ตรงาน เลื่อนตำแนนค้มาดูแลแม่จนสิปีดูแลแม่ทุงวันยี่สชั่วโมงก็ว่าได้ในใจคมเศร้ารอว่าเมื่อไหร่ฉันจะหมดหน้าที่นี้ลูกก็คิดว่าเมื่อไหร่แม่จะตายฉันจะได้หมดภาแล้วสแต่เชื่อไหมพอแม่ตายนี่เขาบ โหหาให้วันเก่าๆให้วันที่ได้ดูแลแน่แม้จะเหนืออ่อย ย, อยังไง อ, อ, อย่างน้อยความเหนื่อยเขาก็มันเกิดขึ้นเพราะแม่ยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ไม่เหนื่ อ, อ การดูแลได้เหนือเท่าไรก็ได้อันนี้นะมันเป็นเรื่องที่คนไม่เคยสนัเวลาเราเจอความทุกข์เวลาเราเจอสิ่งที่เราสะทกสะท้อนใจเรามองเห็นกัมเยคือบทที่มันเ็นโลกเ่งที่มันมันมีความหมายในทางบกเยอะนะที่เราไม่เห็นงันถ้าเราหันมามองนที่บาง ถ้าเราเคยเจอสิงที่เราไม่ชอบเช่นงานที่เไม่ชอบเลยงานที่เราไม่ชอบเลย<ม>แต่นะมอยคีมมอยคีมคือว่าเราอยู่ังดีนะที่เรายมีงานทำเพราะถ้าม่มีการทำไก็ไหวก็อาจจะรู้ไหมครับว่าคนนั้นป่วยหรือว่าตกงานเลยหรือว่าเป็นคนที่ไร้ความสาม า, ถารถลองมองในมุมที่บ้างจะทําให้เรา ม, มีความสุขกับสิ่งที่ สิ่งที่ทงสิ่งที่กระโชนสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแล้วก็ท่